34กรรมคือความยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธบารมีก็คือกรรมดีที่สั่งสมลงในอนุสัยสันดานก็คือกรรมชั่วที่สั่งสมลงในอนุสัยและพลังกรรมใหม่ในปัจจุบันนี่แหละ ที่เป็นพลังกรรมตัวแปรอันสำคัญมากของแต่ละคนเพราะจะเป็นอำนาจใหม่ซึ่งแต่ละคนจะสามารถสร้างหรือทำขึ้นมาให้ตนมีกรรมมีชีวิตจะเริญประเสริฐเป็นอริยะสีวิไลถึงขั้นโลกุตระได้แท้จริง ใครจะดีหรือจะชั่วจะเจริญจะตกต่ำนั้นก็เพราะกรรมที่คนทำทุกปัจจุบันนี้เท่านั้นสำคัญวิเศษที่สุดที่จะเป็นผลเป็นวิบากของตนสุกตะทุกตานางกรรมมานางผล า, างวิปากโก ใครทำดียังไม่ได้ดีก็เพราะเขาเองทำดียังไม่มากพอย่อมได้พึ่งแต่เพียงกรรมของตนที่ไม่มากไม่ดีพอนั้นอยู่อำนาจแท้หรืออำนาจที่มีฤทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงคืออำนาจใดกันแน่ ใครจะพึ่งอำนาจจากกรรมหรือการกระทาที่ตนเองทำเองหรือใครจะพึ่งอำนาจอื่นที่คนอื่นทำให้กันดีละ่ะอาจจะมาเลือกเอาอำนาจของตนเองทาเองให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองตามนัยยะ อาตาหิอาตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของตนและสุกตะทุกตานางกามานางภาลังวิปากโกกรรมที่คนทำทุกปัจจุบันนี้เท่านั้นสำคัญวิเศษที่สุดที่จะเป็นผลเป็นวิบากของตน เพราะกรรมมัสโกมหิกรร ม, มาทายาโทกรร ม, มโยนิกรร ม, มพันธุกรร ม, มปฏิสารโนตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นและกรรมมังสัตเทวิภัชติกรรมจำแนกสัต ส่วนคำ ร, รมาคำข้างบนนั้นโปรดอ่านต่อไปจะได้ขยายความหมายกันไปตามลำดับ